อพิจารณาข้อมใส่นี่แหละดูดูพิจารณาข่าาวมสายเนื่องๆา่าจนวันว่านข้อมใส่เนี่ยคือความแกกขาดแห่งชีวิตอินทรีย์ร่างกายเนี่ยประกอบเป็นมาจากส่วนต่างๆทีมต่างๆของโลกนี่แหละแต่ผมันจะเป็นก่อนอยู่พอดำพอดี แลามีคิดม่ใจมากมาอยู่นํามาควบคุ้มดำเนินการบริหารงานมันก็เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไปหน้าได้ขันใจหนีคิดนี้แล้วหนีถาวรเลยบกับขึ้นมาเลยว่ร่างกายมีแต่แตกขาดดับลงไปคือคว่ำพอมควม่ำติทตีเงยคว่ำติทตีแต่สลายนั่น มันทิไปใช้ไปมันน่ะมันมีอยู่เรื่อยท่วมกันนั้นมั่นอ่ะท่วมตีนแยกใหญ่นี้เกิดไปใช้มั่นมีอยู่เรื่อยที่มันยุ่ยได้เป็นโตเป็นตนตยุ่ได้เรื่อยมากเนี่ยแต่ย้อนว่าเฮ้านี่คิดเนี่ยคิดใจเนี่ยมันเป็นโตมาค่อยบัญชาการอยู่ในนี้อันี้คิตใจเนี่ยมันมีวิธีการยังไดให้เนี่ มันกัดเศษฮกปรุงแตงนั่นนี่สามารถที่ปรุงแต่งอาหารให้มีรสมีชาติให้มีข้อมอยากกินให้นีค้อมแซ่เนี่ไงให้พร้อมให้เป็นตะแซ่ดให้น้ำไ ล, ไลายไหลเนี่ยคนเท่ากับประดิษฐ์ประลอยู่สามารถที่ไหนี่เ็ดอาหารเฮศษตำหมักคั่วเ็ด คือแนวน่ะแผ่นฝรังจะให้อีกแนวนึงบวชคือเห่าแผ่นเอเชียเหตุแนวนึงกินเผากินเผากับแกงกับปนกับตัดกับตุ่มอย่างแปงนกันกับกิ่งฝลังอะไรอีกแนวนึงนั่นหละมันปุงมันแดงเพื่อจะให้เกิดก้วมอยากขันยากแล้วมันกัดกวนขวยหาเอาเขามาเติมพให้ก็โมเมนต์ร่างกายดอกใหญนั่นแหละมันอยาก เอาเลยเอามาเติมก็ามาเติมก็มามาแต่ข้ออยู่ใดอันไหลออกก็มีซุ่มือเหนื่อยออกก็มีอยู่เติมเข้ามาเรื่อยๆทันบัตรมันท่ <c oughs> วมแต่ขานให้ที่มีตินทีนแล้วก็มันมันโอ๊ตเจ้า อ, อยากยู่ดอกเพรา <c oughs> ด่ดันใจมันยู่พอได้แล้วนี่มันหนีแล้วนั่นแหละบ่มีไครจิไเบียากกินเขาน่าระบาดมุ่งมีใคอยากเอาเงินมากินเพอยากพืดอยากนั่นอยากนี่แหละ ข้อมยงอยก็ไปเนยไปเรื่อยีลบ่มีไผบริหารข้างในมันก็ะเลือดกระบมุนบรเวียนแบบนี้เน่าเหม็นบ้างเนี้ยข้มเหม็นควอมเน่านี่ยเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของมันที่มันตีเนยออกนั่นแหละข้อมเหม็นควอมเน่าแปลว่ามันเนยเร็วขึ้นมันเนยไว่าๆขึ้นว่ายขึ้นว่ขึ้นมันเลกออกมาเหม็นเน่ากะล่งไปเป็นขึ้นายไปอยู่น้ําโลกเขาใช่ไหะไอ้ที่เจอหน้าเยออันนี้ มันเป็นยุคยามเนี่ยเขายัางบอท่านปรากกัดซือๆต่อ ย, อย้อนว่ามีมมนี่จิตนีใจเนี่ยมันไปปันไปทวนไปปรุงไปแซงเอาเข่าเอาหน้ําม า, มาอันโบเสพเอาหน้ำปามาเติมเอาน้าตาลมาเติมที่ส่นเนี้ขันก๋วยเตี๋ยวยังถือมากเลยี่ขันโบได้ตเติมแบบกินบ๋วยเตี๋ยล่หาแน่ยมาเติมให้มันแท้ทั้งท่านหลักคือท่วมปรุงแซ ง, ง, งของจิต เกิดยังจังกินแซงเหรอยิ้มนี่มันแบบมาได้ก่อนอันนี้แล้วมันันอยากเอายูฮะเนี่ยอยากเอายูห้องหูว่าหูก็ตามซ่อมว่ซ่อมก็ตามมั่นแทบคืดอยากกินโหลดมันทําให้เกิดความอยากในท้องมันมีอุปกรณ์สำหรับใหญ่อาหารนี่ีหละช่างเดินอาหารเนี่ยมันนี่มีวิธีเขาไปหันแล้วตรงบีบตรงนวดทั้งทัานเราก็ซึมไปหันไปนีแต่มันมียูกะมันมียูเราก็ยิตมนี่แหละ เป็นผู้มาบงการเป็นผู้มาบริหารงานเคยยังไม่ลดอยู่คือหนีน่อยแล้วกะยิะ่งจะเม็นผู้ขับรถทีี่หละเป็นผู้ขับเต็นท์ไ่้ไซสพวกนั้นและครขับออกไปเมื่อกีจีงได้เล่นได้มาทำฮอดาย ม, มากนีดอกนี้ในี้มา น, น่ยคิดนีไหมนีว่ารถมันห่างโคตรทีงเดียวคนขับก็บเต็นท์ขยายนี้เลยนาน ล, ละนห่างละดับร่างกายเนี่ข้อมห่างนี่มัน มันเป็นธรรมดาเลยฮะนี่ในพิซซุดจะเป็นตรงหางลล้างรถร่างกายตรงห้างทุกอันเนสห้างทุกอันอนปปนันที่เอาไปปัวไปรักษาเนี่ยแต่ไษาเสียเอาไปเนี่ยเงี้ย นししัำข้นมาเด็กคือแข็งหอดว่างนีคือว่าโอ้ยแต่รักตายเลยที่อยู่โดนพูนอ่ะโดนโดนบอสไกบอสเว่จะเถื่อพุนอ่ะข่มคืดนะล่ะโอ้ยมันคืดบอคพือนบลละเอียดพูนฉันพื้นบอสเกนคื้นเกาะพื้นฉันสดคื้ต่อไปอีกเนี่ยตายแต่แท่ดนไปุื้นพื้นไเลยได้กิ่นได้เขา มันจะเริ่มเศ้าตั้งแต่เด็กตั้งแต่ที่แหละแต่มันสมมุติบ่ตายด้วยเหตุอื่นนะยูไปเผาตายเนี่ยมรดสภาพมันสิกันที่อบอ่ออยากกินบอ่อยากกินแต่ที่แม่นว่าเครื่องใหญ่อาหารมันตั้มรุดบอ่อมันเครื่อนโพดบอ่ออย่างนี้กินอ่ะบอ่อยากกินฮค่นี่ mm ้ hmm. ลังอันกะี่เกิดเช่นว่าเป็นแค่ เป็นบาดเป็นแผลอยู่ในสะเพกในรัน้ัใสยังมันกระบกพ้องแล้วแนวที่เอาใจเข้าไปมันกระบอกไฟเขา่าความอยากกระหน่อยลง่งสั้นแล้วความใหญ่อาหาราใหย่พอดีเังมันจะเป็นไปขน่ดไม่พิชิกระไดทิ้มร่างกายไดทิ่มทุกข้อนแน่ยังไม่มีไดทิ้มทุกคนจนิต ม, มันไดนี้ทุกจิตให้คิดไวจะคืดดูดูแล้ว สันทอดเนีมันมามันกีดกิ่งอีรีเน่ยมันมันกระตีไข่แน่มันกระตีปอยานหลายโบเดอร์รอนหลายนะที่สั่นนี้มันมุมไม่มีที่อื่นเนี่ยแก้ไขวิธีอื่นผมไม่มีนี่แต่เตรียมรับสถานการเท่านั้นเตรียมรับสภาพเท่านั้นเด็กคันพูตลาดเขาก็เตรียมรับสถานการณ์ให้มันถูกต้องนะเตรียมรับสภาพเอ้ยเข้าเนาะเข้าหจากยูวี ขันบานี้เข้าขิดขีดออกไปหันงี้เสรหเขาไปคืดมีแค่ใว่าเรียไปโดนโดนต้มไปดนโดนคืดดูดูเพื่นว่าคืดดูดูแล้วมันจํานนมันจะจํานนมันห่อคืดถึงซ้มตายเพื่อนว่ามันบดไปทิศกันดอกมันจะไปทิดกันที่ยังมันของกะจีตายอยู่มันก็จิตายอยู่ จัดไปยาดกันยังฮะลง้นยัดยาดลำ้วยเนี่ยไม่ยูไมีกินพอแหงมันไปหาดหยาดกันคิกันหละจะพิถึงความตายอยู่เรื่อยๆละความที่เท่าไปของไปเที่ยวยังนั้นก็ตีไม้ออกอยากนั้นก็อยากได้นี่เลยได้ก็ตีไม้ออกเท่าไม่อยากได้หลายนี่ยมันวันได้ดอกนี่ลเอาพ่อยูพอมันเป็นไปนี่บ่หยาดไหนวัตถุันไหน ยาถ้าเป็นต่อมมึงไง